เพราะความจเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังท่ายแต่รลวงโพทิยานกำลังนำเสนอเรื่องทุกขสมุโไทยัยโดยเน้นไปที่การเกิดของตัณหาทั้งสามประการแล้วการตั้งอยู่ของตัณหาในสิ่งนั้นๆ่งจําแนงแสดงไว้ค่อนข้างพิสดารตามโครงสร้างของมหาสติปัฏฐานสู แต่ได้ปราเข้าใจว่ามหาสติปัฏฐานสุดนั้นเป็นทรงแสดงธรรมะในรูปของการเจริญกรรมฐานคือเจริญสมถ ะ, ะแล้วก็วิปัสสนาในเป็นหลักในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการบรรเทาทิฏฐิคือความเห็นผิดของบุคคลที่ไปเกาะเกี่ยวอยู่กับ แล้วก็ธรรมะอยู่ตามป ก, กติโดยพื้นฐานของมนุษย์เรานี่นะมันมีอัตตาตัวตนอยู่ไปยึดมั่นในความเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไปปักใจฝังใจเข้าใจนะฮะ้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันตนก็ปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นสิ่งเหล่านั้นต้องการเป็นเจ้าข้าเจ้าของครอบครอง จนมาข่าวมังคารังเกียจที่จะได้ยินได้ฟังเรื่องการพูดถึงความตายแล้วก็ถือว่าเป็นอภิมงคลในส่วนหนึ่งมันจะเกิดเป็นอาการตัณหาคือจิตมันดิ้นทะเยอทะยานอยากจะได้สิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมชี่หยาบหยาก็คือกายจากหยาบกลางจนถึงปณแล้วก็เวทนาคือความสุข ในระดับต่างๆสุกระดับมนุษย์สุกระดับสวรรค์สุกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็แล้วแต่ทีนี้พอมีการสอนไปการอธิบายตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยใจมันก็ไปยึดตัวใจนะฮะยึดตัวจิตเองฮะเป็นตัวเที่ยงแท้ถาวรปุยเจ้าก็สอนให้ดูที่จิต มจิตมันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเอานิยายอะไรไม่ได้เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นกลางกลางบ้างแต่ว่าในที่นี้ก็ส่งสอนให้ดูเฉพาะจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลว่าแต่ละอย่างมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยเจนวจิตไม่มีราคะจิตมีราคะอย่างเงี้ยมันก็มีตัวกระตุน้นโดยกันทั้งสองฝ่าย เวลาใดที่เรายังไม่เห็นโทษของสิ่งชี้จิตไปกําหนักและเห็นโทษของความกําหนักเนี่ยจิตมันก็ถูกครอบงำโดยราคะอยู่อย่างนั้นแต่ยามใดที่เราพิจารณาเห็นโทษของกรมราคะเห็นโทษของสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกรมราคะซึ่งก็คือรูปเสียงรูปรัตตาห์ผ้ า, าเอตมารมอีกมันก็ไม่อื่นไปจากนี่ยโลกมันก็เป็นอย่างนั้น เคยดูแล้วเหมือนกับพูดเรื่องซ้ำๆซักๆเคยได้ยินคนก็พูดว่าก็าเบื่อไม่อยากฟังพระพูดไม่เห็นมีอะไรนะเรื่องเรารู้แล้วทั้งนั้นมันรู้ไม่จริงที่ต้องพูดเนี่ยเครู้ไม่จริงเพราะความรู้จริงในความหมายของรู้เนี่ยคือกิเลสมันต้องลด ถ้ากิเลสไม่ลดเนะี่ยไม่ถือว่ารู้จะเป็นด็อกเตอร์กี่ปริญญาก็ตามนะเขาไม่ถือว่าเป็นผู้รู้เพราะว่ารู้ตัวโลภะตัวสะโมหานี่ต้องลดตรงไปลดมากน้อยไม่รู้นะแต่ว่าต้องลดเวลาเราส่วนใหญ่จะพูดระดับบาปุญคุณเราสังเกตว่าคนเราถ้ารู้รบาปุญคุณโทษแล้วเนี่ยจะไม่ทาสิ่งที่เป็นบาป แต่จะทำสิ่งที่เป็นบุญจะไม่ทาสิ่งที่เป็นโทษจะทาสิ่งที่เป็นคุณจะไม่ทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่จะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็แสดงว่าอาการก็โลภะโทสะโมหะมันลดลงไปกดสต้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปเป็นพฤติกรรมที่บุคคลอื่นสามารถสัมผัสได้นะเพราะท่านดูจิตมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ยั่งยืนอย่ยที่ท่านเข้าใจเนี่ยใจมันจะคว้าไปที่ธรรมะก็มาสอนที่ธรรมะให้ดูไปเรื่อยๆธรรมะที่นำมาแสดงเนี่ยจะมีทั้งกุศลและอกุศลกลางๆถึงแต่เรามองให้ดูให้ดีแล้วเนี่ยมันก็ซ้ำกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะก็ไม่มีอะไรนะฮะมันกายกับจิตท่านั้นเองหรือว่าขันธ์ทั้งห้าท่านั้นเองแต่พอดีมาถึงจุดนี้มันมีภูมิโรธสัตย์อยู่ด้วย ซึ่งก็เป็นระดับต้องกระดับในที่เดียวกันเพราะงั้นพอเอากระจิงเราจะเห็นว่ามันก็อยู่ที่ใจอ่ะทุกก็อยู่ที่ใจสมุทัยก็อยู่ที่ใจนิโรธก็อยู่ที่ใจมรรคก็อยู่ที่ใจเพียงแต่ว่ามันไม่มีลักษณะร่วมกันของสองอย่างเนี่ยจะยกตัวอย่างว่าในขณะใ ด, ดเป็นทุกในขณะนั้นก็ไม่เป็นสุขในขณะใ ด, ดเป็นสุขในขณะนั้นก็ไม่เป็นทุก คือมันเกิดร่วมกันไม่ได้รนะหวังทุกขสุขในขณะใ ด, ดที่มีกุศลในขณะนั้นก็ไม่มีอกุศลในขณะใ ด, ดที่มีอกุศลในขณะนั้นก็ไม่มีกุศลวัลักการปฏิบททัติสาคัญเนี่ยคือทํทำยังไงให้ใจมันอยู่ในกลุ่มของมั่งให้มากเคาเรียกว่าเจริญทานศีลภาวนาผู้ประชาบ้านเนี่ยจะพูดถึงเจริญทางศีลภาวนาเวลาพูดกับพระก็จะพูดถึงเจริญศีนสมาธิปัญญา ซึ่งก็หมายความว่าถ้าใจมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่จะระดับใดก็ตามนะพวกกิเลส ม, มันต้องลดนะต่อลดลงไปโดยลำดับจะมากจะน้อยก็เป็นเรื่องงรายละเอียดเป็นปัจจตังคือผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้เฉพาะตัวเองมันไม่สามารถที่จะอธิบายชี้แจงจะ บ, บุคคลอื่นได้หรอกเพราะใน ในข้อต่อไปก็ส่งสอนถึงความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เราเรียกวิตกวิจารวิตกก็คือความตรึกหรือความคิดครั้งแรกนะคิดครั้งแรกเช่นคิดถึงคนที่เราชอบตอนนี้เราเรียกวิตกแต่พอคิดขยายออกไปเราเรียกวิาวจารเพราะลักษณะของจิตอย่างเนี้ย ท, ท่านอธิบายว่ามันเหมือนกับ เหมือนกับตีระครังนะครับที่ไม้ตีระครังไปกระทบกับตัวระครังตรงนี้ยเป็นวิตกแต่เสียงที่โหยหวนของระครังซึ่งสืบเนื่องมาจากการตีเนี่ยมันเป็นวิจารณ์หรือยกอุปมาเหมือนกับมแมลงที่บินโฉบลงไปในเกสรดอกไม้พอแตะปั๊บเนี่ยมันก็เป็นวิตกเพราะว่าบินไปดื่มไปลิ้มไปชิมรสชาติอร่อยของดอกไม้เนี่ยก็กลายเป็นวิจารณ เพราะมิตรกับวิจาร์เป็นเรื่องเดียวกันแล้วถามว่าเวเรจิตมิตกเนี่ยมันวิตกถึงเรื่องอะไรเราเห็นว่าจะไปวิตกด้วยความชอบกับความชังคือจะเนียวนึกถึงด้วยความชอบกับความชังแล้วก็มีเป็นอันมากนะฮะที่กลายเป็นเรื่องปาฏานคือกลายเป็นเป็นคล้ายๆกับเมาโหลรือหมาหยมาความว่าในคิดไปคิดมาเนี่ยมัน ปัญญาไม่ได้เพิ่มแต่คิดแล้วกิเลสมันเพิ่มเพราะตถาหามันจะเกิดเมื่อเกิดที่วิตกตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่วิตกเวลาเกิดก็เกิดที่วิจารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่วิจารณทีนี้วิตกวิจารถึงอะไรพูดง่ายๆมานึกคิดถึงอะไรก็นึกคิดถึงสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นเสียงสิ่งที่เป็นกลิ่นสิ่งที่เป็นรสสิ่งที่เป็นยอดเย็นยอดห่อนแข็งสิ่งที่เป็นอารมณ์ก็สุดว่าอะยตน้ภายนอกนี่แหละ ทีปัญหาว่าคิดยังไงในกรณีนี้พูดถึงการคิดแล้วมันเพิ่มกิเลสเพราอะไรขึ้นมาก็เพิ่มตัญหานะอย่าลื ม, มาทุกจุดเนี่ยเป็นทางเกิดของตัญหาหมดตลงอายตนะภายในก็เป็นเหตุเกิดของตัญหาอายตนะภายนอกก็เป็นเหตุเกิดของตัญหาแล้วเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแต่นั้นจึงทรงสอนใน ให้เรามองในแง่ของความเป็นโทษของตัณหาเห่านนให้มีความชัดเจนว่าตัณหาเนี่ยพีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะเดือดร้อนมากขึ้นเท่านั้นคือปัญหาจะเพิ่มพูนมากขึ้นตามการเพิ่มพูนของตัณหาเห่านั้นทำยังไงจึงจะสามารถบรรเทากระแสตัณหาลงไปได้แล้วก็สอนให้มองเห็นโทษของมัน ซึ่งการมองโทษของตัณหาเนี่ยเราอาจจะมองอะไรก็ได้นะเช่นสมมติว่ามองปลาติดเบ็ดมองโจรที่ถูกฆ่าถูกยิงอย่างเมื่ออะไรล่ะแต่วันที่ 16, 17, สิบหกสิบเจ็ดเมษายนเนี่ยมันมีเหตุการณ์อย่างหนึง่งที่เกิดขึ้น ก็หลายก็สองสองเหตุการณ์ใหญ่นะฮะสามประมาณสามสามก็ได้กันนะสามสามีส่เหตุการณ์คือมีการอะไรล่ะเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์บอกว่าคนตายไปถึงเจ็ดร้อยกว่าคนแล้วก็ที่บาดเจ็บไปถึงเจ็ดหมื่นกว่าคนน่าตกใจนะฮะตัวเลขที่น่าตกใจ ได้ถามว่าอะไรนั่นก็คืออาการที่ขาดสติอาการที่ประมาทมันก็เกิดอย่างนั้นทุกส่วนของโลกครับใครก็ตามที่ทำอะไรไปโดยขาดสติหรือทำาดยความประมาทมันโอกาสที่จะเกิดปนนัญหามันก็เกิดขึ้นมาได้ทีนี้ตัวนี้ถ้าสติไปจับเนี่ย เราทำยังมีสติขับรถยังมีสติเดินถนนยังมีสติแล้วก็ไม่ไปมอมเมาตัวเองด้วยสิ่งเสพติดให้โทษไม่ไปเสพยาบ้าไม่ไปดื่มสุราะอะไรตนะ่างๆปัญหาเหล่านี้มือจะลดหึงไปที่นี่อย่างหนึ่งที่มีข่าวการประหารนักโทษซึ่งยังนึกว่ามันน่าจะมากที่สุดนะทีเดียวตั้งหกคนยังนึกถึงประเทศจีน เจตีนก็ยิงกันต้งต้ ง, ตงนคนมาดูกันเป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็ถ่ายทอดของโทรทัศน์ด้วยทำกับการสมัยจอมปลดสลิ์โทษเรื่องเดียวกันนะมีจำนายจำนายจะบ้าด้วยกันมีไว้ในครอบครองด้วยกันปริมาณนั้นเลงต่างกันในขณะเดียวกันก็กองทัพภาคที่สาม อะไรค่ายประคุณพาเมืองอะไรนี่นะที่ก็จับยาบ้าได้ตั้งเจ็ดล้านหกหมือมันเป็นการแสดงโทษของตัญหาที่ชัดเจนว่าพวกนี้ตัญหาแรงเกินไปขาดการบัญญะบัญญังคนเราจะร่ำรวยได้นะฮะเราจะเห็นว่ามาหาเศรษฐีของโลกนี่ที่ฝลัง่งก็รายงานในแต่ละปีนี่ไม่ได้มีอาชีพในการขายยาบ้า อย่า ช, ชีพในการประกอบสมาชีพเก็ร่ำรวยหรือคนในเมืองไทยเราเนี่ยที่รวยรวยที่เป็นที่ยอมรับของสังคมก็เพื่อประกอบสมาชีเป็น่งก็ไม่ได้ประกอบพิชชาชีพและทําไมไม่ได้เอาตัวอย่างท่านเหล่านี้ล่ะเพราะอะไรเพราะบังคุมด่านหาไม่อยู่มันขาดความคิดพินิษฐพิจารณาโดยมีเหตุมีผล เราไม่ได้คำนึงถึงความสูญเสียเราก็มองดูถึงภาพของแม่ที่ร้องหมร้องไห้มารับศพลูกหรือที่เป็นนักโทษประหารในร้อง<ม>เรียกว่าหมดสติสตังไปเลยอันนี้ที่จริงมันเป็นบทเรียนมากเบียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะเอามาพูดมันเป็นการท่ำเติมคน แต่ถ้าเราคิดเนี่ยลองสังเกตว่ามันเป็นบทเรียนว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นไหมที่เป็นอย่างนั้น <u ha> ก็เพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะนคนที่ถูกประหารเนี่ยถ้าเขาไม่ค่ายาบ้านเนี่ยเขาจะถูกประหารไหมแน่ <u ha> นอนโทษประหารเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่สรุปว่าถ้าเราไม่ประกอบอาญากรรมมันจะถูกประหารไหมล่ะแล้วก็ไม่ถูกประหาร พระาะกรรมมันก็เป็นแบบอย่างว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าเธอรุนแรงแล้วก็เธอก็ไปอย่างนั้นน่คือจะอ้างสิทธิม น, นุษยชนอะไรเกาว่ากันไปแต่ว่าโลกเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องมีมาตรการของเขาที่เขาต้องทําอย่างนั้นคือบางทีเนี่ยที่เราต้องเจริญพรหมหารข้ออุบเบกขาในเพราะภาพมันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะไปทําอะไรได้ ไปเรียกร้องไปป้องกันไปขัดขวางอะไรก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องอาญาของแผ่นดินจะด้ขณะดเดียวกันในแง่คนทำมารฟียจะทอนให้อิทธิเรื่องตัาหาและผู้ที่ถูกจับเหล่านั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันของตัญหาแล้วก็มีโมหะปิด บ, บังเหตุผลสติปัญญาไปเยอะเหลือเกินกนึกคิดกันแกนยังไงว่า ยาบ้าตั้งเจ็ดล้านกว่าเมตรเนี่ยนะมันค่าคนตายไปเท่าไหร่บาปกรรมใน ม, มีเท่าไหร่เรามีความจำเป็นอะไรจะต้องไปทำบาปอย่างนั้นนะเราเกิดมาตักี่ปีเราก็ตายนะนั่นคือแสดงให้เห็นว่าถ้าปัญญามันเข้ากำกับแต่ความคิดมันเป็นระบบน่อหน่อยเดียวนั่นเองปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดหรืออย่างน้อยก็ลดปัญหาลงไป ท้านผูฟังจะสังเกตได้ว่าอามาจะยกตัวอย่างศีลห้าอยู่เสมอเพราะศีลห้าจริงๆมันหมดแล้ว่ะนะมันหมดโลกแล้วนะศีลห้าเนี่ยพอศิลข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของชีวิตเราเครารพสิทธิของชีวิตแห่งการอะไรกั น, กนไม่รุกละเมิดกันในข้อที่สองก็คือเรื่องทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะแล้วก็รบกันไม่รุกละเมิดกัน การสแสวงหาการได้มาการครอบครองการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของการเป็นผู้ใช้สอยนทุกกระบวนการในโปร่งใสตรวจสอบได้ในเรื่องของคู่ครองหรือการเกี่ยวข้ อ, ของการสัมพันธ์ในทางเพศแล้วความข่าวคราวตัวเลขติดสำรวจเรื่องอะไรแต่ไเนอ่านแล้วก็หน้าบิดตกนะแต่บางอย่างก็ต้องโปรงกนะัเนาะ สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเขาเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราไม่มีอานาจไม่มีหน้าที่ถึงมสมมติว่าจะมีอำนาจนาทีมันก็ทําไม่ได้อะไรปัญหาบงางอย่างมันก็ดูกันว่าเราก็แก้ไม่ได้คือบางจุดก็ต้องอุเบกขาสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมของเขาทีนี้ไอแนวความคิดเนี่ย ลองสังเกตเวิตกวิจารเนี่ยมันที่เป็นกุศลมันก็เรียกกุศลวิตกกุศลวิตกก็คือเหนี่ยวนึกอย่างไงล่ะที่มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยเพราะมันเป็นอกุศลวิตกคือสึกนึกด้วยอํนนานาจของความใคร่รูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสน่าจับต้องแล้วก็คุมไม่อยู่รวมหน้าแก่ลมตกเป็นธาตุน้องตาหนาตาหนาก็เปลือกใสสักใสอะผลักใส แห้เรเล่นไปสู่อำนาจของมันทีนี้คนเป็นท่าของตันหานี่จะเดือดร้อนพระเจ้าทรงแสดงว่าตันหาดาโวนานดารุงนี่คนเป็นท่าของตันหาก็จะต้องเดือดร้อนคือตันหามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตอบสนองถ้าตอบสนองต้องคุมทิศทางได้หรือหมายความว่าอย่าอยากจนเกิดปัญหาแต่ถ้าปรารถนาอะไรต้องการได้อะไรก็ ใช้ความเพียรพยายามเอาได้เท่าเท่าที่กาลังความสามารถเราจะได้มากหรือน้อยก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์ตัวนี้ปัญหาเรื่องความคิดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญถ้าเรามองกระบวนการของตัณหาว่าไม่มีตัณหาอะไรหล้วที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพียงแต่ว่าทุกมากหรือทุกน้อยเท่านั้นเนองเราจะเข้าไปสัมภาษณ์นักโทษในเรือนจํา เมื่อก่อนเนี่ยมามีกิจกรรมของกลุมนักโทษบ่อยแต่พอเป็นรชาชกนาึ้นมาก็เปรียนใจไม่ค่อยนิมนต์เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะก็นิมนต์มาเราก็ไปทักทีก็ที่จริงก็อยากจะช่วยเหลือนะอยากจะทํางานตรงนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ช่วยเหลือส่งเสริมในด้านต่างๆให้ข้อคิดในงานคิด บางทีเราก็ไปก็ไปเจอว่าเออมันราชการขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพให้แก่คนเหล่านี้เราก็อยู่ในวิสัยที่พอจะขอประถามจากญาติโยมได้แล้วก็เอาไปช่วยเขาอะไรแต่ละเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ยากจะให้มันหมดสิ้นไปแต่ว่าเป็นเรื่องใจใครก็ใจคนนั้นมันอยู่ที่ว่าการคิดอย่างไง แต่คิดด้วยหน้าความคลายแน่นอนการตำหนาก็เกิดเพราะว่าตำหาก็เกิด เ, เราคิดเรื่หน้าความอาคตาิพยาบาทความไม่ชอบความเครียดแค้นจิงชังเนี่ยวิภาว่าตำหามันก็เกิดหรือ ว, ว่าคิดในแนวเบียดเบียนประทุษร้ายกันทำลายร่างกันแบ่งแยกเป็นพวกเราพวกเขาเป็นเราเป็นเขาตำหามันก็เกิด เราจะเห็นว่าอาการเหล่านี้มันก็เป็นทั้งกรรมอัตนาทั้งภาวะตัณหาทั้งปิปภาวะตัณหาปัญหาเหล่านั้นที่จริงเนี่ยมันอยู่ไกลตัวเราเราสังเกตนะฮะกิเลสไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กิเลสกิเลสเราให้มันเกิดก็ได้เราไม่ให้เกิดก็ได้มไมเมือาในมือก็แก่เจ็บตายนะฮะแก่จะตายเราก็หยุดมัไม่ได้แต่กิเลสนี่เราหยุดมันได้ เพราะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าสอนเราพิจารณาเรื่องของกรรมเรื่องของความจริงแห่งชีวิตาตาประการนะฮะถ้าเราสังเกตว่าในเงียในกรณีของผลเนี่ยมันเกิดมาจากเหตุคือว่าเหตุมันทำลงไปแล้วเราไปฏิเสผลไม่ได้หรอกเพราะวาความแก่ความเจ็บความตายการพราพลากเนี่ยมันเป็นผลซึ่งเกิดมาจากความเกิดคนเราเกิดมาแล้วเราหนีแก่เจะบตายไม่ได้แต่พอมาถึงข้อกรรมในรงสอนให้คิด คนเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของการมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่คิดได้อย่างนี้มันก็จะรับผิดชอบว่าถ้าเราทำอย่างนี้ผลมันจะเกิดเป็นอย่างนี้เราชอบผลไม่ล่าเราชอบผลก็ทา แต่ถ้าไม่ชอบผลและอย่าสร้างเหตุ แ, ตแม่ว่าแนวข้อการค้าอย่าบ้าแนวอะไรต่ออะไรจริงเราไปสร้างเหตุแล้วเราจะไปเสร็จผลไปเสร็จไม่ได้แม้จะรู้สึกสงสารครอบครัวลูกเมียเขาอะไรต่ออะไรก็ตามแต่มันอยู่ในจุดที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้เพราะว่าเป็นกระบวนการของกฎหมาย แล้วก็เป็นโกฎกติกาของบ้านเมืองที่ท่านกำหนดไว้อย่างนั้นแม้เราเองก็ถ้าไปทำผิดอย่างนั้นมันก็เจอเช่นเดียวกันนั้นปัญหาว่าความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์มันรุนสุบเนื่องมาจากตัณหาเพราะฉะนั้นท่า น, อนบอกว่ากิจของสมุทยศาสตร์เนี่ยข้อแรกก็คือว่า เป็นเหได้เกิดกองทุกกองทุกก็คือทุกข์ขันนะฮะรูปิทนาตญาสขันญาณก็เกิดชีวิตเกิดแสดงว่าตัณหาในยางชนได้เกิดมาในยามใดขณะใดบุคคลใดที่ใจไม่มีตัณหาคนนั้นก็ไม่ต้องเกิดทีนี้เรื่อเรามีตัณหาแล้วเนี่ยการกระทำการพูดหรือแม้แต่ความคิดของเรา ที่ถูกแรงผลักไสเสียดสยของตัณหามก็จะนำปัญหานำความทุกข์มาให้แก่เราเคยืงยกยกตัวอย่างว่าปัญหาเศรษฐกิจในบ้านในเมืองเราเวลานี้ที่จริงเศรษฐกิจไม่ได้พื้นอะไรเลยนะแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะแต่ในช่วงของสงกรานเนี่ยก็ไม่กี่วันนะนะประมาณสี่ห้าวัน คนไทยออกต่างประเทศกันจำนวนถึงเท่าไหร่ล่ะห้าหมืนสองพันคนเราคิดว่าถ้าเขาจะจ่ายคนหนึ่งประมาณต้าห้าหมืนบาทเเงินไม่ใช่น้อยเลยนะออกไปจากนะเอาอไปจากนอกประเทศแต่ถามว่าในเทศการอย่างนี้ถ้าเราเที่ยวบ้านเราไม่ดีกว่าเลยทำไมไปเที่ยวไกลขนาดนั้น นั่นก็คือแรงผลักไสแรงเสืกใสของปัญหาที่ทําพาจิตให้เลื่อนไหลไปตามกระแสของเขาหัวใจที่ถูกกระแสของตัญหาพัดผันเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งจะสูญเสียการสรงตัวแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหนานานาประการนั้นจะมสอนในแนวให้มองเห็นโทษเพราะว่าทำทุกข์ซึ่งเป็นผลที่เราไม่ต้องการ โดยแล้วจะสืบเนื่องมาจากตันหาเพราะงั้นเราต้องพยายามบรรเทาตันหาอย่าถึงกร ะ, ะเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในครอบครัวในการรับฟังข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นหรือว่าอย่าถึงก็อยากได้จนตกเป็นทาสของสิ่งเสียดสติให้โทษทั้งหลายเนี่ยชีวิตมันก็จะน่าดูกันอีกอย่างต้องฟังทั้หลาย